เร า, าฟังทำต่ออีกจากที่เราได้ฟังพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเมื่อมีการฟังแล้วเอามาเป็นข้อปฏิบัติวิธีปฏิบัติก็คือกรรมฐานกรรมฐาน ตัวกายเอาใจเป็นที่ตั้งแห่งการกระทำ เ, เยอะแยะคู่มือของการศึกษาเรื่องชีวิตของเราที่จะเรียนให้จบเพื่อถึงมรรคถึงผลแต่เหมือนเป็นหาีชีพทางจิจบัญญาของเราไม่ต้องจนออีชีพทางโลก กย่อมมีเครื่องไม่เครื่องมื อ, อ, มอหวางทีก็ซื่อหาราคาแพงๆก็จะได้ชีวิตรักษาโรคไัยไข้เจ็บหายเจ็บหายป่วยแต่จะมีการเกิดเจ็บเจ็บตายชีวิตจริงๆมันหมายถึงมรกถึงผลเงื่อนเกิดเจ็บเจ็บตาย ทีวาอาชีพทางกิจวิญญาณอ้มือในการศึกษาเรื่องนี้มีพร้อมแล้วในตัวนอกตัวที่ว่าศานะสานาศาสนาวัตถุศาสนาพิธีศาสนาบุคคลศาสนาธรรมนีม ให้ได้เกิดความสะดวกในการนี้จึงงดใจกรรมฐานมากที่สุดโดยเพราะชีวิตทวกเราที่เป็นนักบวดอยู่วัดว่ารามเป็นหนชีพโดยตรงอย่าวทธามอย่างอื่นมีสิทธิ1 0อยเปเนอะไรที่เกิดขึ้นกับ กายก็ล้อยเปอร์เซนต์อะที่เกิดเกิบใจก็ล้อยเปอร์เซนต์ทำให้ถูกได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีการต่อลองขอลองจับใครๆเช่นเวลาเราฝึกวิชากรรมฐานมีสติเป็ น, นกายอยู่เป็นประจำตามที่พระพุทธเจ้าเลยทำเรื่องนี้ นิสติป น, นกายเป็นปจำกายก็มีวิธีใดที่จะให้เกิดความรู้สึกที่กายยกเยกงมไหลยใจก็เป็นกายยืนเดินนั่งนอนก็เป็นกายผู้เหยียดเคลื่อนไหวก็เป็นกายพิบตางไหายใจก็เป็นกายจบตรงไหนก็ได้ให้มีสติอย่าให้มันฟรี สางใจทำจุดใด จ, จุดนึ่งให้เป็นเฉพาะเรื่องเฉพาะลาวไปหนึ่งวันเจ็ดวันหนงเดือนจุดเดือนหนึ่งปีเจ็ดปีลองดูพิสุจนลองดูสถานที่ก็เป็นวัดว่าอารามมีมิตรมีเพื่อนมีบ ส, ส, ส, ส, สนวัตถุยอสายมีโสชนบุคคล โมมิตรเพื่อนผงมีศา ส, สนพิธีว่าสวดมนต์สาธยายพิสูตน์มีระเบียบวินัยที่ปฏิบัติตามแล้วก็มีศาสนธรรมที่บอกผิดบอกถูกแก่ผู้ปฏิบัติไม่ฟรีไม่ไม่ฟาว เวลาเราทำกรรมฐานเห็นทุกอย่างที่เหมือนเกิดขึ้นกับกายกับใจมีทุกอย่างที่เหมนแสดงออกมาให้เห็นถ้ามีสติอย่างน้อย ก, ก็ได้ข้อโดยทางผ่านเห็นกายอะไรที่เกิดกับกายไม่รีไม่ลับ เป็นโลสของโลกที่เกิดกับกายมีรสชาติอย่าหลงให้เห็นถ้ามีสติเห็นกายก็สักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนโลภะอย่าอาการต่างๆที่เกิดกับกายมาเป็นตัวเป็นตนอย่ามาเป็นตัวเป็นตนให้เห็นเป็นโลก ให้เหมันเกิดกับกายขอนความพอใจและความไม่พอใจอะไรที่เกิดกับกายออกมามีสตินี่ให้ทำอย่างนี้เดี๋ยวสิ่งที่มันเกิดกับกายก็มีสุขมีทุกข์เรียกว่าเวชนามันมีมีปวดมีเมื่อยมีโลดมีเหน่มีหมิ่วมมีอะไรหลายอย่าง มียากมีง่ายมีผิดมีถูกมีหลงมีลืมอะไรหลายอย่างให้เห็นมาอย่าอามาเป็นตัวเป็นตนเป็นสุขเป็นทุกข์ให้สักว่าเวทนาที่ยงวันลงไปที่เก่าอย่าให้ไปไกลวางไว้ที่เก่าในาธนาัเว่าเวทนา ถาเเวทนามาเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นตัวเป็นตนก็โลกลดของโลกเกิดขึ้นแล้วลดของโลกถ้ามีอยู่ตรงนี้ไปไกลถึงความเกิดเจ็เจ็บตายได้จิตที่เหมือนชิดก็มีมันมีวิญญาณจิตวิญญาณในรูปในกายนี้ไม่มีจิตวิญญาณสําคัญมากตัวนี้อาศัย กันและกันเพื่อให้เกิดพบเกิดชาติได้มันมีไม้เมยมือความคิดมือของกิษมือไม้ของกิตคือมันชิดมันเป็นใหญ่มากเป็นใหญ่กว่ากายถ้าไม่มีสตินะมันคิดอะไรก็ไปตามความคิด ตปตามความคิดทุกอย่างทำตามความคิดทุกอย่างถึงเวลานอนเราก็ยังคิดคิดเราจะนอนไม่หลับนอนสักแต่ว่าคิดอยาไปเป็นตัวเป็นตนจิตที่มันเป็นเช่นนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนมันสันกแต่ว่าไม่ยิ่งใหญ่ ถ้าเรามีสติรู้สึกแล้วเห็นแล้วไม่ใหญ่อาวะที่เห็นที่รู้นี่เป็นอินทรเป็นตัวใหญ่สามารถเห็นได้ได้มีสติได้ละกาลังมาจากกายได้กําลังมาจากเวทนาได้เฉลยมืาแล้ ว, ไ ด, ลวได้กําลังม า, มาเฉลยตัวกิจทั้งก็ว่าอันเดียวอันเดียว นี่พลังเหมือนรถวิ่งออกแรงมาไกลปลายเป็นปลายปลายแรงแอาจจะมีความแรงไม่เหมือนกับตน้นแล้วก็มีธรรมที่มันเกิดขึ้นในในต่อไปจากกิดธรรมหมายถึงธรรมอารมณ์มันยอมมันยอมคิดได้คิดขก้นมาเกิดเฉลี่ยตัณหา ราคาเป็นตัวเป็นตน้นคิดออกมาแล้วโกรธโลภโลงได้เป็นสุขเป็นทุกข์พความคิดได้เช่นกันอาความคิดนี้เป็นเวทนาอยู่เมื่อคี่สุดเวทนาเกิดจากความคิดโดยจากคิดอาจจะถึงลอยทั้งร้อย ในดาานนี้มีปัญหาเรื่องจิตเรื่องใจมากที่สุดกายเป็นพัมมาลมรรมมาลมที่เกิดกับกจิตไล่ขวาเสือทำลายคนมากาถ่าตัวเองฆ่าคนอื่นทำลายสิ่งเหนือนวัตถุอื่นเบิดล้น เกิดเป็นถรงขึ้นมาเป็นฝ่ายอากุศลธรรมบางอย่างก็เป็นกุศลเกิดจากกิจก็อย่าลืมมันเห็นไหมอาจจะมีความสุขสงบบ้างปิติบ้างเห็นมันมีหลายอย่างฉากที่เกิดจากความคิด ที่ออกมาจากจิตเป็นได้หลายอย่างข่มร้อยค่มดีผู้ผูแผบแพบกลางคืนว่าฝันกลางวันว่าคิดกลางคืนเป็นขวนกลางวันเป็นเตลวมากมายทำมาหลมที่เกิดกับจิตมีลักมีชังมีสุกมีชุกมีอะไรเยอะแยะไปหมดแลยมีจิตเด็ดตันหาลาข้าไปบาท มีกุศลมีใจดีใจงามแล้วก็มีเย อ, ย อ, ยอะแยะไปหดเลยนี้ความรักขความฉังเฮ้ยความรักาก็ทำตามความรักเฮ้ความเกียจังก็ทำตามความเกียดชั ง, ค, งคือจิตนั่นเองนั้นศักแต่วา่าจิตไม่ใช่สตรบุคคลตัวตนเราเขาอ๋อเพียงพอหู่มือไน้ายคู่มือฉเฉลยเฉลยเบืงต้ตน อายเวทนาจิตรมเป็นหลักไม่เหนือไปจากกรรมฐานถิงที่เราทำอยู่นี่มีสิติเห็นกายเห็นลักษณะสี่อย่างเห็นว่าไม่เป็นรูปเป็นนามเป็นรูปนามมันมีมันเป็นมันก็แก้กอกปอย รอบปล่อยให้แตกฉานขึ้นมาส ต, ติมาไม่ใช่ชติดรุ่นรุ่นมาก่อนเป็นชติฐานโตอตอบทักท้วงใหญ่ขึ้นมาย่อมมีอำนาจเมื่อชติมันมากย่อมมีพลังมองทะลุทะลวงได้เห็นเป็นรูเปเห็นเป็นนาวบางทีรูป ในตากาลูปก็คือเป็นรูปเป็นก้อนมหาภูตารูปประกอบด้วยธาตุสี่อุปธาจะรูปเกิดขึ้นเหนือจากมหาภูตารูปเป็นรูปที่เป็นพบเป็นชาติบางทีรูปกับนามเบียดเบียนกันน้ำเบียดเบียนรูปหรือความรู้สึกคืออารมณ์คือการต่างๆเกิดจากความคิดมาเบียดเบียนรูป บางทีลูกก็เบียดเบียนนามตึงหลังค้างเก็บไข่ได้่วยเหตุ ก, การณ์เกิดกับลูกก็ทุกข์กทุกข์ใจบางทีใจโกรธก็เบียดเบียนลูกกินไม่ได้คืนไม่ลงไม่เป็นธรรมพอมีสติขึ้นมาชีงใหญ่เงียบได้ มีความเป็นธรรมเกิดขึ้นเห็นเห็นอาการต่างๆเกิดกับลูกควานามสรุปลงรวมให้เห็นเห็นหมดเห็นครบเห็นท่วนลูกทำมันทำดีลูกทำมันทำไม่ดีนามทำมันทำดีนามทำมันทำไม่ดี เลือล่อลังลื่อมูปทุกเป็นทุกน้ำทุกไปและววันต่อไปห่อแตกแตกไปแตกฉานไปเปิดเผยออกมาก็เหมือนของที่ปิดเปิดออกของที่กั้วมหมายขึ้นแล้วเฉินสิงที่เกิดขึ้นกับรูปสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้ำแค่ไหนเพียงไร ภาวะที่เห็นนี่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกกับดาวอย่างถูกต้องแม่นยามไม่ผิดพลาดลาล่ายเป็นดีหมปราวะที่เห็นนี่มันทำได้อย่างนี้ย่อมมีผลหลังแห่งการกระทำเกิดศรัทธาเกิดความเพียรไม่ท้อถอย ได้หลอกได้ถอนได้ความเท็จความจริงที่มันเกิดขึ้นกับรูปกิดามเราเคยทุกข์เราเคยหลงเราเคยโกรธพอมาเห็นพื้นฐานของมันแล้วเสียเปรียกความทุกข์เสียเปรียบความโลภเสียเปียบความโกรธก็ตื่นลืลุลนก็ตือ่นลโลนไม่ความเห็นชอบไม่ความเห็นช่อบ สมมติที่เกิดขึ้นโมนเห็นชอบดำดิชอบมันหลงเห็นมันหลงดำดิไม่หลงก็เหมือนทุกเห็นทุกดำดิไม่ทุกมาไล่เป็นดีมอเท่าไหร่ก็ไม่ไม่กลัวเพราะเหมืนเห็นความเท็จความจริงเนี่มันเห็นลนละบัรรมได้ไม่ปล่อยทิ้ง แต่ก่อนมันปล่อยทิ้งแบบนี้มันไม่ปล่อยทิ้งอะไที่ไม่ถูกหรือไม่ยอมเด็ดขาดที่เกิดกับการกับใจกับลูกบุดามนี่มันก็มีความสําเร็จมีการกระทําเพื่อมั่นในการกระทําเพื่อมั่นในธรรมมีหลักสองอยางนี้เป็นการเกิดคู่มือเป็นเป็น แท็กเตอร์เป็นพลังก็ว่าได้กรรมกับธรรมนำการกระทํางมนั่นใจในกรรมในการกระทําไม่ต้องอ้อนวอนขอร้องงั่นใจในการกระทธรรมทได้สําเร็จทุกอย่างจริงเที่มัเกิดขึ้นกับรูปกับน้ํากับการกับใจที่เป็นการกระทธรรมรูปทำนามทำทมบางอย่าง มันเป็นธรรมชาติรู้หมดแค่ไหนเพียงไรทำบางอย่างเกิดการกระทำเกือตัณหาที่เป็นบาปที่เป็นบุญเกิจะกการกระทำคำว่าความชั่วก็ก็มันก็อยู่ไม่ได้อย ควมชั่วเคยชิดชั่วมันอายมันขมขืนก ร, รมเป็นใหญ่ไม่มีคนอื่นเห็นก็เห็นตัวเองเห็นก็ทาทางกายก็ทำทางวจารก็ ท, ท า, า, า ท, ทางจิตมันไม่กล้ามันอยอยก็ก็มีแต่ทำความดีไดพัฒนาความ ั่วให้เป็นความดีความดีมันได้จากควา ม, มดีควงมทุกข์ความไม่ทุกข์ได้จากความทุกข์มันก็ไปแบบนี้ควงมทุกข์เป็นฐานมันจึงไม่ทุกข์ความชั่วเป็นฐานจึงไม่ชั่วความผิดเป็นฐานจึงไม่ผิดเห็นผิดเห็นถูกเห็นการกระทอมนึกก็เห็นธรรม เว้นธรรมเหมันถูกมันผิดเหมือกันธรรมที่เป็นกุศลตอน ท, ที่เป็นอกุศลก้มหลงไม่จริงก็มไม่หลงเหมือนจริงเอาไม่ได้ก็มไม่จริงเนก้มทุกไม่จริงก็มไม่ทุกข์เหมือนจริงเอาไม่ได้อะไรที่มันผิดเนี่ยเอาไม่ได้เรียกว่าธรรมอะไร มีการกระทาได้สำเร็จคู่กันกับธรรมกรรมกับธรรมเป็นของเชียงบ่าเชียงไหลกันเป็นคู่มือชิ้นันและกันมีผิดเพื่อให้ไม่ผิดมีอะไรก็ตามนอกจากน้่ก็เห็นสมมุติที่มาอยู่อยู่ในลูกในนม้มในโลกทั้งโลกนสมมุติวันหยตด สมมติดนี่มีวัตถุก็มีมีนามธรรมก็มีบัญญัติสมมติบัญญัติเป็นวัตถุสิ่งของสมมติบัญญัติเป็นนามธรรมไม่มีวัตถุสัมผัสได้แต่มันไม่เป็นวัตถุเป็นตุนเป็นก็นแปล ว, ว่าสัมผัสได้เช่นชอบไม่ชอบบัญญัติ แล้วก็มีอปาาุปทานยึดโอ้สนุกดีเห็นต้นโตเห็นล่างเงาสาวไปเหมือกนกับเห็นเฉาะมุทยเหมือนกับรื้อถอนทองสร้างอะไที่มันเกิดขึ้นมาถ้ามีกรรมฐ า, านนํามันจะง่ายๆถ้าไปอดไปทนเลยไม่ค่อยได้ เราเคยโกรธเราอดอาทนเอาเราเคยทุกขอดทนเราตอนนั้นเป็นยากแต่เวลาเรียนกนรรมฐานมันง่ายๆมันไต่เต้าไปเหมือนกับเราเรียนหนังสือ ก, ก็ไก่ประถมชั้นมัธยมอุดมไปถึงจำ น, นี้จำ น, นาญจะเป็นด็อกเตอร์เชี่ยวชาญอันนี้ก็มีความจำ น, นาญเหมือนกัน เป็นปริญญาเหมือนกันชำนาญในการเห็นชำนาญในการเห็นในการลูบหลงชำนาญมากไม่หลงเหอาพร้อมกันทุกชำนาญมากชำนาญในในการลูบลูบแล้วลูบแล้วลูบแล้ว เรี่าปริญญากําหนดรู้ในการรู้จอต่อปริญญากําหนดรูป้ใยการละเป็นปริญญ า, าความผิดละมาเพื่อถูกชั่นานในการละตีแล้วขณะปริญญาชั่งนานในการแจกแจงย่อยแยกควมหม่เทียงควมเป็นทุกข์ควมไม่ใช่ตัวตน ย่อแยกไปสิ่งใดไม่เที่ยงชินนเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่นั้นไม่ใช่ตัวตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราย่อแยกไปจนไม่เหลือนลยเหลือศูนย์ทุกเหลือศูนย์โกรธเหลือศูนย์ปัญหาปัญญาไปเลยก็มีความโฉนนานกัน็เพราะมันตต่เท่าไปจากอดุบานยกมือสร้างจังหวะรู้สึกเลือดดาก็ไปถึงปัญญา ไม่ต้องจับหนังสือก็ผู้เรียนอยู่ในสมองมีปากกาเล่มเดียวเรื่องชีวิตได้นี่คือปัญญาไม่มีปัญญาแบบพุท ธ, ธะนะปัญญาชำนาญในการลู่ในการละในการแกะแกงในการทำให้หมดไปปัญหานะปัญญาทำให้หมดปอย ไม่ข้างไม่เหลืองมดไปคือถึงที่ถึงที่ไม่เปลี่ยนอะไรที่เกิดกับกรูปกับนามเห็นสมมดิเห็น ม, มันหยัดเห็นมัตตุอาการต่างๆครบเข้าสู่ศีลเข้าสู่สมาธิเข้าถูกปัญญาเข้าสู่ทําม น, นกพพิจุตุศุนโนยหลงโอยลงองหลงซาหลุดหลงซาหลุดหลง มือนอยู่ในกรรมมือปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเหมือนชีวิตมารวมลงที่กรร ม, มเดียวพรอหมดไม่ต้องดูอะไรที่ไหนศีลก็เหมือนกันวิญญาณก็เหมือนกันถ้าเราไปอ่านวิญญาณเพื่อแก้ปัญหาอย่างที่คนถามว่าน้ำท่วม เจ้าภาพระทอดกระถินไม่ได้จะทำไงามาทอดที่สมมุติเจ้าจภาพอยู่ชายภูมิทอดที่ชายภูมิได้ไามให้พระที่ที่อยู่สกุลนครมารับกระถินที่ชายภูมิได้ไหมแล้วก็ไปอ่านวินวไหนขีขาบทไหนผิดขีขาบทไหนอันนมันก็เป็น ส ม, มุดขึ้นมาวันหยอดขึ้นมาแล้วก็ทุกวันนี้ที่อั่างวัดป่ามาวันเนี่ยเจ้าภาพมองไปได้ส่งธนนัตมาปัจเจัยมาให้อันนี้ก็ได้ถ้าพิกษุไปรับเองงานรับกระถิ้นเองไม่มีใครนำไปนำไปเองได้เพียงสามโยศ เกินกว่าสามโยต์ต้องอบัตเพราะอะไรจะถูกโจรผู้ไรป้นเอาซะในศิขาบทข้อหนึ่งว่าอิาสเุเมื่อมีผู้ถวายขนเกี่ยมอิสุเดินทางไกลเมื่อมีผู้ถวายขนเกี่ยมก็รับมาได้ถ้าไม่มีใครนามานำมาเองได้เพียงสามโยต ถ้าแพเกินค ว, สวรสามโยตต้องออมาดเพราะขนเจียมสบายข้าพเจ้า ม, มันราคาแพงแล้วปู่พ่นั่งเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว <c oughs> มีอยูน่นี่อันนี้เท่เราไปไล่สิขาบทเลยมันก็เป็นอย่างนั้นทีนี้ทำทำมาเลยไม่ครับถ้าเราไปไล่สิขาบทคู่มือของการปฏิบัติเพื่อ ถึงเมื่อถึงผลน่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนระไม่อยู่ที่เราในเราเข้าสู่ศีลเข้าสู่สมาธิเป็นจุปัญญาวิัยก็คือนำไปสู่การวิเศษนําไปไม่ใช่นําไปนะนำทางกิตปัญญาณไปสู่สิ่งที่วิเศษในความหลงไม่วิเศษควาไม่หลงวิเศษนี่วิในมีทุกข์ไม่ทุกข์มีหลงไม่หลงไม่โกรธไม่โกรธวิในเราตรงนั้น วิหนาแล้วจนถึงนูน่นตอนที่เราสาธิปสะสบสมาสมาธิโตละกามเฉดได้ละวิตกเฉดได้ไ้โน่นวิหนยแล้วตรงนั้นเป็นทำวิเนยทำวิเนยนี่เกิดจากสตินี่ายาญปัญสิริปัานนี่วิเนยทำมาวิเนยทำมาวิเนยนี่เป็นมากเป็นผล จะมาเป็นผลตอนวินหนที่บัญญัติเป็นสิ่งที่ช่วยเราเหมือนเรือล้อมใหญ่ไม่ให้หุดให้หล่นเพราะมีภิกษุปฐมอาบัติเกิดขึ้นแต่ละข้างแต่ละข้างต้องบัญญัติทิ่าบทพอมีวินยยดดัยบัญญัติเแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้บวช เธอจงเป็นิกสุ่มาอ่อเถิดทำไม่ไหนตัดไรสอแล้วจงปฏิบัติตามทำไม่ไหนหนั่นเถิดนั่นมันง่ายบางคนหาว่าวินัยนี่จุกจิกไม่ใช่เลยปฏิบัติตามทำไม้ไหนมาอย่างไงก็เป็นอันเดียวกันน่าอย่างไทำไม่ไหนผู้ที่ยังไม่มาขอให้เหมาสัววา่าเรา สมมติว่าที่นี่เป็นเหล่าที่เราอยู่ที่นี่วิัยทําำวไห น, ไหนคิดอยู่เสมอว่าผู้ที่ยังไม่มาขอให้บางส่วนวาดเหล่ามาแล้วอยู่เป็นสุขเป็นสุขแม่จากไหนตะกนลนใดชาติใดที่ไหนมาอยู่ที่นี่ให้มีความสุขอย่าเบียดเบียนกันช่วยเหลือกันเครื่องว่าใสายกันฝากฝีฝากไข้ต่อกันนะกันไม่จะแยกว่าคนนั้นเป็ญาติคนนี้เป็นเพื่อน แต่เสมกันหมดเลยตัวทำไม่นายเหมือนเช่นได้ร้อยดอกไมดอกไม้ต่างต้นต่างสีลูกต่างพ่อต่างแม่่างที่ใช้ใจคอเมื่อมาอยู่ที่นี่ต้องเป็นคนเดียวกันทำไม่นายันเดียวกันหมดม่ตีแยกเพราะนั้นมีหลไก็ให้เพื่งปราสัยการช่วยเหลือกัน บางที่เราเมที่อยู่มันก็กว้างใหญ่เมอะดูเลยไม่ทั่วถึงที่อยู่ใกล้กันก็บอกกันดูแลกันว่างให้เห็นกันทุกวันอยู่ใกล้กันถ้าไม่เห็นก็ก็ต้องถามบางทีไอเจ็บป่วยไม่ได้ออกมาจากกะทิพอเห็นแล้วก็บอกต่ออกันไปจะได้รูปช่วยกัน คนเดียวขนห้อยสองคนเพิ่มเริ่มตายสมคนกลับบ้านได้ที่ดรือมิดเลื่อนกันยาปล่ยกันทิ้งถ้าปล่อยกันเจ็บป่วยคนเดียวเสียใจนะไม่ใช่ทําเวรไหนเราอยู่เพื่อทําเวรนหนให้ให้เป็นันเดียวกันตอนนี้ก็พ้นทุกผู้มีทุกข์ก็พ้นทุกข์ผู้มีโกรกก้นโกรกผู้มีความ โศกเศร้าเสีอใจก็ยีงกายผนายความโศกเศร้าเสีอใจถ้ามีทำไม่ในในหลักปฏิบัติไปถึงผู้มีความเกิดก็ไม่เกิดผู้มีเจอก็ไม่เจอผู้มีเจ็บก็ไม่เจ็บ ผ, ผู้มีตายก็ไม่ตายยึดที่ไม่ตายโนนคือทำไม่ในที่ปฏิบัตินั้นไปจากการเห็นกายฉวโวกาย เหตนาจักว่าเวทนาจิตจักว่าจิตทำจักว่าทำหลุดไปเรื่อยๆหลุดไปเรื่อยๆเห็นเห็นไปเห็นหมดทุกอย่างที่มันเกิดกับกายกับใจเรานี้ที่สุดก็ผันมาหมดมันน่าเป็นอะไรสักอย่างเป็นไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้มันก็เป็นอะไรแต่ไม่ไมมก็ไม่เป็นอะไรครับ เรื่องของกายของใจอีกมันเห็นทุกอย่างไม่ได้เอกใจแค่ไหนเพียงใดนี่คือทำปฏิบัติธรรมมีอยู่ที่นี่มีอยู่ที่เราเนี่ยมีอยู่ทุกคนมีคนพูดมีคนฟังมีการกระทํามีวิธีทำตามหลักสูตรของ การแตะลูของพระเจ้าทําอย่างนี้นั่งอยู่ใต้อตอน้นโหขู่แขนเข้าเหย่แขนออกอิเฉาติดแล้วก็มีโอกาสแล้วผู้เป็นหนุ่มก็ยิ่งดีผู้เป็นแฉก็ยิ่งรีบเข้าความรู้สึกตัวเมื่ออยู่กับคนหนุ่มคนแฉเป็นความรู้สึกตัวเหมือนหนุ่มหน่อแฉ เ, เนือเพศเนื้อไหวเหนือละทินิ่กาย นะประมาทประมาทในความหลงประมาทในความทุกข์ประม า, ะมะมาะมทในความฉุ ก, อ, กอย่าให้มันติดอะไรสติมันจะเป็นภูมิจัน์เห็นนี่แต่เห็นเห็นแล้วไม่เป็นอะไรเมื่อกี้คือกับเรานอกตัวเราเห็นไม่เป็นในโลกมีบ้าง้ารากโรดในโลกเลยมีรสชาติทำให้จัตโลกติด ว่าเราไม่มีสติถ้ามีสติก็ก็อาจจะมีเนื้อดีชักหน่อยไม่เปืเป้อนเมื่อยเห็นไม่เป็นเห็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์เห็นหลงไม่เป็นหลงเห็นโกรธไม่เป็นโกรธเห็นความวุ่ายไม่เป็นความวุ่ายอย่าหลงไปตามมาันมีแต่สติสติรู้สึกตัวถ้าไม่รู้กรรมฐานลงไป เมื่อตกเขาลงปล่อยหายใจดืด้อลงปล่อยที่ตั้งไว้เกาะนี่ไว้ก่อนให้กลับมาอย่าเป้าเหตุผลตัดฉีนทำไมทํามอย่ามีมีมากับมันฐานั น, นกระ ด, ดองเต่าเต่ามันมีอวัยวะเวลาอันตรายเกิดขึ้นมันหดอวัยวะเข้าในกระ ด, ดอง เรามีกัดดองของเราคือกรรมฐานกับมารู้จักตัวกรรมารู้จักตัวนี่